ความเดือดร้อนของคนเขาพราพุทธภาสิทิ์ปุตตามติทนะมติอิติพาโลวิหันยติอตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตทนังแปลว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แต่ความจริงแล้วตนของตนเองก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีอย่างไรอธิบายความ พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้คนเขาย่อมเดือดร้อนเพราะความอยากเกี่ยวกับเรื่องบุตรและเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ว่าบุตรของเรามีทรัพย์ของเรามีย่อมลำบากย่อมถึงความทุกย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราโปรนแปลพินาศไปแล้วย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราจากโปรนแปรจากพินาศคนเขาย่อมเดือดร้อนด้วยอาการหกอย่างดังกล่าวมานี้ ขยายความย้ำความตามคําอธิบายของพระอัธคคคาจารย์ตอนนี้ว่าคนเขาอยากมีบุตรอยากมีทรัพย์เมื่อไม่ได้บุตรไม่ได้ทรัพย์ตามปรารถนาก็เดือดร้อนถึงทุกข์เมื่อได้บุตรได้ทรัพย์สมปรารถนาแล้วก็เดือดร้อนด้วยการบริหารเลี้ยงดูคุ้มครองรักษาซึ่งเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งของมนุษย์การเลี้ยงดูบุตรเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยการคุ้มครองรักษาทรัพย์เป็นภาระหนักและที่ตั้งแห่งความกังวลใจบางคนต้องเสียชีวิต เพราะการคุ้มครองรักษาทรัพย์พอมีอยู่และมีอยู่ไม่น้อยบางพวกต้องเป็นโจรประกอบกรรมทําเข็ญเพราะความต้องการทรัพย์และเลี้ยงดูบุตรเมื่อบุตรเจ็บป่วยหรือล้มตายจากไปเมื่อทรัพย์ พ, ยพยินาศไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคนขาวก็เดือดร้อนอีกแม้บุตรยังไม่เจ็บป่วยยังไม่ปร่งแปรยังไม่ตายทรัพย์ยังไม่ถึงความพินาศแต่คนขาวก็อาจคิดกังวลล่วงหน้าไปได้ว่าถ้าลูกเจ็บลูกตายทรัพย์สมบัติพินาศจะทําอย่างไร รวมความว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องบุตรเรื่องทรัพย์ทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตพระอธิกถาจาร่ากล่าวต่อไปว่าคนเขาต้องทํางานหนักทั้งทางบกและทางน้ําทั้งกลางคืนและกลางวันเพียงเพื่อเหตุสองอย่างคือเลี้ยงบุตรและทําทรัพย์ให้เกิดขึ้นความเดือดร้อนของเขามาจากเหตุสองอย่างนี้เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไม่สามารถทําตนให้มีความสุขได้แม้ในชีวิตประจําวัน ตนของตนชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตนคืออัตตาหิอัตโนนัตถิเมื่อเขานอนบนเตียงในการจวนตายถูกเวทนาครอบงำแผดเผาอยู่เสมือนถูกเรกียวเพลิงเมื่อร่างกายจวนแตกทำลายเขาหลับตาเห็นโลกหนาเลิมตาเห็นโลกนี้ตนย่อมไม่มีแก่ตนเพราะไม่สามารถต้านทานความทุกได้ไม่สามารถเอาความทุกมาเป็นเพื่อนชื่นชมได้ความทุกคงเป็นศัตรูของมนุษย์อยู่ บุตรและพัญญาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกก็คงเป็นทุกข์อยู่นั่นเองขยายความย้ำความตามแนวของพระอัจฉริยะาจารย์ว่าภาระหนักของผู้ครองเรือนก็คือการหาศาสตร์และการเลี้ยงดูบุตรกิจทั้งสองอย่างนี้ทําความเดือดร้อนแก่ผู้ครองเรือนมากคนมีความทุกข์ย่อมขาดความเชื่อมันในตนเองคนมีความกังวลใจย่อมขาดการครุ้มครองตนอย่างน้อยการคุ้มครองตนนั้นต้องลดน้อยลงไป หมดความเป็นตัวของตัวเองท่านจึงเรียกว่าตนของตนไม่มีแก่ตนนี่ตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเมื่อชนตายถูกทุกขเวทนาครอบงำเมื่อกายที่ประกายเนื้อจะแยกจากกันบุคคลนั้นลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าจะต้องตายแน่แน่บุตรพรญญาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สามารถกําจัดทุกข์ออกไปและนําความสุขเข้ามาให้ท่านจึงกล่าวกุโตปุตตากุโตธนังบุตรและทรัพย์มีที่ไหน มีเหมือนไม่มีเพราะช่วยอะไรไม่ได้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบเศรษฐีชื่ออานันทะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอานันทะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออานันธะมีสมบัติประมาณแปดสิบกฏคือแปดร้อยล้านแต่เป็นคนตรนีมากเขาให้พกูกญาติและบุตรประชุมกันทุกครึ่งเดือน แล้วให้โอว่าเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินคือสอนให้เป็นคนตรนีโดยเฉพาะบุตรชายของเขานั้นเขาสอนเรลาสาเวลาว่าอย่าคิดว่าเงินแปดรอยล้านนี้มากไม่ควรให้ทรัพย์แก่ใครแต่ควรทําทรัพย์ใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นประจําวันทรัพย์เป็นอันมากย่อมสิ้นไปทีละน้อยพึงเห็นตัวอย่างความสิ้นไปทีละน้อยแห่งยาหยอดตาพึงเห็นตัวอย่างการทอดฟูนขึ้นแห่งจอมปลวกเพราะการสั่งสมของตัวปลวกผู้ครองเรือนพึงเป็นอย่างนี้ คือกลัวความสิ้นเปลืองและมันเก็บเด็กผสมน้อยเขาได้ฝังขุมทรัพย์ใหญ่ไว้ห้าแห่งแต่ไม่บอกให้ใครทราบแม้แต่บุตรชื่อมูลสริข์ของตนเสฐีอานันทะมีชีวิตอยู่อย่างเศร้าหมองเพราะความตรณีเขาตายไปเกิดในท้องของหญิงจันทานคนหนึ่งในจำพวกจันทานพันตระกูลในหมู่บ้านจันทานใกล้นครสาวัตถีมูลสริได้ดาร ง, งตาแหน่งเศรษฐีต่อมา ตั้งแต่อานัตเสถีถือปฏิสนธิในท้องมารดาของเขามีแต่ความทุกข์ยากลำบากหากินฝืดเคืองค่าจ้างที่เคยได้มากก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังนำเอาความทุกข์ความยากมาสู่ต ร, ระกูลจันทานทักงปวงอีกด้วยเหมือนไฟเริ่มต้นจากจุดหนึ่งลามไหม้ไปทั่วบริเวณที่มีเชือ้อมารดาของเขาถูกไล่ออกจากพวกเพราะใครๆลงความเห็นว่าบุตรในท้องของนางเป็นกาลกินี จำเดิมแต่นางมีท้องความลำบากฝืดเคืองก็เกิดขึ้นในหมู่จันทันเมื่อหญิงนั้นคลอดบุตรนางเห็นบุตรแล้วอยากจะร้องไห้สักห้าสิบปีพระบุตรของนางพิกลพิการสารพัดอย่างมือเท้าหูจมูกปากในตาพิการไปหมดเหมือนปีศาจคุกฝุ่นน่าเกลียดเหลือเกินแต่นางก็ไม่ละทิ้งบุตรทั้ทงนี้เพราะความรักตามธรรมชาติอันมาบามีต่อบุตรความเยื่อใยมีกําลังแรงกล้า นางเลี้ยงบุตรด้วยความฝืดเคืองวันใดที่พาบุตรไปทํางานด้วยวันนั้นจะไม่ได้อะไรเลยส่วนวันใดทิ้งบุตรไว้ที่บ้านวันนั้นจะได้อาหารพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพียงพอดํารงชีวิตยอยู่ได้เท่านั้นเมื่อลูกพอหากินได้เองบ้างแล้วนางได้วางภาชนะกระเบื้องไว้บนมือแล้วกล่าวว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่ได้รับความลำบากนักแล้วเพราะเจ้าบัดนี้พ่อแม่ไม่อาจเลี้ยงดูเจ้าได้แล้ว และเจ้าก็มีวัยพอหากินเองได้บ้างเจ้าจงถือภาชนะกระเบื้องนี้ไปหากินเองเถิดในนครนี้อาหารและเสื้อผ้าที่เขาจัดไว้เพื่อคนกัมพาและคนพิการพอมีอยู่เจ้ายงไปอย่างที่อย่างนั้นเด็กนั้นเที่ยวไปในที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบ้านเดิมของตนจึงระลึกชาติได้จำทุกสิ่งทุกอย่างได้รีบเข้าไปสู่เรือนขณะที่คนเฝ้าประตูเผลอแต่พอถึงประตูชั้นที่สี่ บุตรของมูลสลิเห็นเข้าตกใจกลัวพากันร้องไห้คนชายจึงช่วยกันโบยตีแล้วไล่ออกจากบ้านให้ไปอยู่ที่กองอยากเยื่อพระศาสดามีพระอานุ์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จออกบิณฑบาตถึงกองอยากเยื่อนั่นแล้วทอดพระเนตรดูพระอานุ์อย่างมีในพระเถระจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องเกี่ยวกับอานันทเศรษฐีให้ทราบ พ, พระอนุนจึงเชิญมูลสลิกเสตีมาขณะนั้น มหาชนประชุมกันเป็นอันมากพระสุคตเจ้าตรัสถามมูลสริว่ารู้จักเด็กคนนี้หรือไม่เขาทูลว่าไม่รู้จักพระตถาคตจึงตรัสว่านั่นคืออานันทเสถีบิดาของท่านมูลสิริเสถียรไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เด็กนั้นบอกขุมทรัพย์ทั้งห้าุมซึ่งเขาฝังซ่อนไว้เขาบอกได้ถูกหมดจนมูลสิริเสถียรเชื่อและได้ถึงพระศาสดาเป็นสารณะตั้งแต่วันนั้นมา พระพุทธองค์จึงตรัสสอนด้วยพระธรรมว่าปุตตามัติธนะมัติเป็นอาทิมีนัยยะดังพณ น, นามาแล้วแต่ตน